วันนี้เป็นวันอังคารที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2566เป็นวันสำคัญทางศาสนาคือเป็นวันอาสาฬหาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมคำสั่งคำสอน เป็นครั้งแรกและเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นวันที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ครบองค์เป็นครั้งแรกคือในวันเพ็ญเดือนแปดสี่สิบห้าปีก่อนที่ก่อนพุทธศักราช ก่อนพุทธศักราชพุทธศักราชนี้นับจากวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันพรินิพพานจากโลกนี้ไปปีนีพ้พุทธศักราช ก, ก็คือ2566วันแสดงธรรมครั้งแรกก็45สปีก่อนพุทธศักราช เราก็เอาสอง6ันห้า้หกสิบหกบวกกับสี่สิบห้าปีก็จะได้วันเกิดของวันก็จะได้อายุของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนามีอายุสอง1ันหร้อสิบอดปีด้วยกันถ้าใครเขาถามเราชาวพุทธว่าพุทธศาสนานี้มีอายุเท่าไหร่ เราควรที่จะสามารถให้คำตอบเขาได้อังปีพุทธศักราชบวกกับ45ปีเพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม45ปีด้วยกันก่อนที่จะเสด็จลาโลกนี้ไปและพุทธศักราชก็เริ่มต้นในวันที่พระพุทธเจ้าลาโลกนี้ไป พระพุทธเจ้าจากโลกนี้ไปแล้วสอง6ห้าอยกสิบปีด้วยกันแต่พระพเจ้าทรงก่อตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมาสี่สิบห้าปีก่อนที่พระองค์จะจากโลกนี้ไปพระพุทธศาสนานี้จะเป็นพระพุทธศาสนาขึ้นมาได้นี้จำเป็นต้องมีพระรัตนตรัยครบองค์คือต้องมีพระพุทธเจ้า ผู้ที่มาตัดสรู้ธรรมแล้วนําเอาพระธรรมที่ทรงได้ตัดสัรู้มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกผู้ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยูแล้วหลังจากที่พระองค์ได้ทร ง, ดรงแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกที่มีชื่อว่าธรรมจากกัปปวัตถนสูดหนึ่งในคู่ฟังคือพระปัญจพุที พระหนึ่งในหนึ่งในปัญจะวัคคีย์ก็คือพระอัญงานโคนทัญญะก็มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุ ธ, ธรรมขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระสุดาบัน<ม>เป็นพระอริยสงสาวกองค์แรกของพระพุทธศาสนา<ม>วันนั้นจึงถือว่าเป็นวันเกิดของพระพุทธศาสนาขึ้นมา เพราะว่ามีพระรัตนกายครอบองค์มีพระพุทธเจ้าผู้ตัดสโลมีพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้านำเอามาแสดงเผยแผ่ให้กับผู้ที่สนใจผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์พอได้ยินได้ฟังพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง ผู้ที่ได้ยินได้ฟังก็สามารถนำเอามาดับความทุกข์ของใจได้ mm hmm. ก็ปรากฏเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมา mm hmm. นี่คือพระรัตนใจพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์า mm hmm. บตรใดที่เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในโลกนี้ตรบนั้นเรายังจะมีพระพุทธศาสนาอยู่ คู่กับโลกนี้ไปต่อไปถึงแม้ว่าองค์พระพุทธเจ้านั้นจะจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามแต่ทรงจากไปเพียงสรีระร่างกายเท่านั้นแต่องค์พระพุทธเจ้าโดยจิกโดยตรงแล้วนี้ยังไม่ได้จากโลกนี้ไปดังที่พระเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากาศาสดาหลังจากที่เราจากพวกเธอไปแล้ว เพราะว่าพระธรรมวินัยที่เราตัดไว้ชอบแล้วที่เป็นสวากขาโตภะกวตาธรร ม, มีวจะเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราจากศาสดาเพราะพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละคือพระศาสดาของพวกเรานั่นเอง ดังนั้นพระพุทธเจ้ากับพระธรรมคำสอนนี้จึงถือว่าเป็นองค์เดียวกันยังตามใดที่ยังมีพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้ตามนั้นก็ยังมีพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้กับเราแล้วนอกจากพระธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเราก็มีพระอริยสงสาวุคือพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เป็นพระอริยสง์ คือเป็นตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอาหารหันตสาวกพระอริยสงสาวกเหล่านี้เป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเป็นผู้ที่รู้ทางสู่การหยุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นตราบใดที่เรายังมีพระธรรมคําสั่งคําสอนที่มีบันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์ เรียกว่าพระไตรปิฎกและยังมีพระสงฆ์สาวกอริยสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในโลกนี้พระพุทธศาสนาก็ยังจะอยู่ในโลกนี้ต่อไปพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับถาวรวัตถุต่างๆถึงแม้ว่าถ้าจะไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีย์ไม่มีพระพุทธรูป ไม่มีศาลาไม่มีถาวรวัตถุต่างๆแต่ถ้ายังมีพระธรรมคำสั่งคำสอนและมีพระอริยสงสาวกอยู่ในโลกนี้พระพุทธศาสนาก็ยังไม่เสื่อมสลายยังไม่หายไปตัวของศาสนาที่แท้จริงนี้อยู่ที่พระรัตนกายเพราะพระพระตันตนกายนี่แหละเป็นที่พึ่งทางใจของสัตว์โลก เป็นผู้ที่จะนำพาสัตว์โลกที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่ใช่โบส์ไม่ใช่เจดีไม่ใช่พระพุทธรูปไม่ใช่ถาวรวัตถุต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบ<ม>เป็นเครื่องประดับของพระพุทธศาสนา แต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะนําพาสัตว์โลกให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้สิ่งที่จะนําสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้นั้นก็คือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและคำสั่งคำสอนของพระอริยสงสาวูพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลาย นี่แหละคือพระพุทธศาสนาที่แท้จริงของพวกเราไม่ได้อยู่ที่ถาวารวัตถุถาวารวัตถุนี้เราสร้างขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่การจะสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมานั้นไม่ใช่เป็นของง่ายสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุและทรงประกาศก็ทำคำสอน ก, ก็ไม่ได้มีวัดไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีไม่มีพระพุทธรูปทรงสแสดงธรรมในป่าให้กับพระปัญจวคีพระมุทธเจ้ากับพระปัญจวคีท่านก็เป็นพระธุดงท่านเป็นพระป่าท่านจะประทับอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามป่าตามเขาเพราะสถานที่ ที่ป่าที่เขานี้เป็นสถานที่สงบสงัดวิเวกเป็นที่สร้างเป็นที่กำเนิดของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านไม่มีถาวรและวัตถุเหมือนอย่างที่พวกเรามีกันอยู่ในปัจจุบันนี้พวกเราสร้างถาวรและวัตถุกันมากมายสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างสร้างพระพุทธรูปสร้างศาลา สร้างวิหารสร้างกุฏิสร้างถาวรวัตถุต่างๆมากมายโดยเราไปหลงคิดว่าความเจริญรุ่เสื่องของพระพุทธศาสนานั้นอยู่ที่ถาวรวัตถุแต่ความเป็นจริงแล้วความเจริญเมื่อความเสื่อมของพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้อยู่ที่ถาวรวัตถุจะอยู่ที่ ปริมาณของพระอริยสงสาวกผู้ที่จะมาศึกษาพราะธรรมคำสั่งคำสอนแล้วมาบรรลุเป็นพระอริยสงสาวกแล้วนำเอาธรรมที่ได้ที่ได้บไ ด, ได้ได้บรรลุถึงนำมามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกต่อไปนี่แหละคือความเจริญหรือความเสื่อมของพระพุทธศาสนา อยู่ที่ว่ามีผู้ที่มาบวชมาศึกษามาปฏิบัติและมาบรรลุ ธ, ธรรมมากน้อยเพียงไรมาเป็นพระอริยสงสาวกมากน้อยเพียงไรถ้ามีจำนวนมากก็แสดงว่าศาสนากำลังเจริญถ้ามีถ้ามีจำนวนน้อยก็แสดงว่าศาสนากำลังเสือ่อม ในยุคสมัยพระพุทธเจ้านี้เป็นยุคที่เจริญที่สุดของพระพุทธศาสนาเลยเพราะว่ามีจำนวนของพระอริยสงสารปรากฏขึ้นมาเป็นจำนวนมากในเพียงระยะแรกๆคือประมาณสักเจดเดือนพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกในวันเพ็ญเดือนแปดคือวันนี้แล้วต่อมาอีกเจ็ดเดือนคือวันเพ็ญเดือนสาม ที่เราเรียกว่าวันมาคบูชา mm hmm. ก็ปรากฏว่ามีพระอาหารหันตาสาวกหนึ่ร mm ูป hmm. ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากสารัิษต่างๆ mm hmm. หลังจากที่ได้บวชได้ศึกษาและได้บรรลุธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้ว mm hmm. พระพุทธเจ้าก็ส่งให้พระสาวกเหล่านี้แยกตัวกันไปตามสารัิษต่างๆ เพื่อ น, นอานำเอาธรรมมันประเสริฐที่จะนำพาสันโลกให้หลุดออกจากกองทุกข์ได้เรียนรู้ได้ศึกษาและได้ปฏิบัติและได้บรรลุตามลำดับในวันเพ็ญเดือนสามนี้มีหนึ่งพันสองรอห้าสิบรูปด้วยกันพระลานตสาวกที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บวชให้และเป็นผู้ที่ พระพุทธเจ้าส่งให้ไปเผยแผ่ทำตามสถานที่ต่างๆได้มีความนึกลำนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เลยมาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้มีการนัดหมายนี่แหละคือแสดงความแสดงให้เราเห็นถึงความเจริญของพระพุทธศาสนาว่าเจริญมากเจริญน้อยนี้อยู่ในจํานวนของพระอริยสงสาวรว่ามีมากหรือมีน้อย พระพระอริยสงสารกเท่านั้นที่จะสามารถทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าในการนำเอาธรรมันประเสริฐมาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่ผู้ที่ยังตกอยู่ในกองทุกข์ให้ได้หลุดออกหลุดพ้นออกจากกองทุกข์ได้ไม่มีใครที่จะสามารถทำหน้าที่นี้ได้นอกจากพระอริยสงสารุกของพระพุทธเจ้าและ พระธรรมที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้เท่านั้นนี่แหละคือเครื่องวัดความเจริญในยุคที่พระเจ้าทรงยังมีพระชนชีพอยู่4 5 0 45ปีนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่ทุกวันวันละสี่รอบด้วยกันรอบบ่ายก็ทรงแสดงธรรมรดญาติโยม รอบค่ำก็ทรงแสดงทําให้แก่ภิกษุภิกษุณีนักบวชรอบดึกก็แสดงทํามให้กับบรรดาเทวดาทั้งหลายแล้วก็รอบตอนเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบินธบาตก็ทรงเลงยานดูว่าจะไปแสดงธรรมโปรดไทยเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นแลทุกครั้งที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมนี้ ก็มักจะปรากฏมีผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมได้บรรลุเป็นพระอริยสงฆ์สาวกขั้นต่างๆกันก็คิดดูงแสดงธรรมวันมะสีรอบแสดงอยู่ตลอดเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกันมีจำนวนของผู้ที่บรรลุเป็นพระอริยสงฆ์สาวกมากน้อยเพียงไรอันนั้นแหละคือความเจริญของพระพุทธศาสนา ก็มีศาสดามีคนที่เก่งอย่างพระพุทธเจ้าที่ได้บรรลุได้ตัดสุลุธรรมันเลิศอันประเสริฐนำธรรมะเลิศอันประเสริฐนี้มาเผยแพ่สั่งสอนให้กับผู้ที่สนใจผู้ที่ปรารถนาที่จะหลุดพ้นออกจากกองทุกข์พอได้ยินได้ฟังแล้วน้อมนําเอาไปปฏิบัติ<ม>ก็สามารถบรรลุธรรมกันขึ้นมาได้ อย่างง่ายดายและรวดเร็ว location, บางท่านฟังธทมเสร็จก็บรลุได้เลย location, บางท่านก็ต้องนำอาไปปฏิบัติอยู่เจ็ดวันก็บรลุได <alten. S 1> <อ>้บางท่านก็ต้องนำไปปฏิบัติประมาณเจ็ดเดือนอ location, บางท่านก็ปฏิบัติประมาณเจ็ดปีแต่ไม่ช้าก็เร็วเมื่อบารมีพร้อมเมื่อปัจจัยที่จะทำให้เกิดการตัดสุเกิดการบรรลุธรรมพร้อมขึ้นมาเมื่อไหร่ การบรรลุธรรมก็จะปรากฏขึ้นมา ท, าทันทีและผู้ที่บรรลุธรรมในสมัยพุทธกาลนี้ก็ไม่ใช่เป็นเพียงแต่นักบวชเท่านั้นและไม่ใช่เป็นแต่ผู้ชายเท่านั้นในสมัยพุทธกาลนี้มีผู้บรรลุธรรมมีทุกเพศทุกวัยก็ว่าได้มีนักบวชคือมีภิกษุภิกษุณี <S S S S S yeah. มีคาระวะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกามีคนแก่ และเด็กสัมมาเองก็มีบรรลุธรรมกันได้มีทั้งคนรวยมีทั้งคนจนการบรรลุธรรมจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศอยู่กับวัยอยู่กับฐานะการเงินการทองแต่อยู่การาอยู่ที่ความสามารถที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้หรือไม่เท่านั้น ถ้าสามารถปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในวันในครั้งแรกได้สามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้ก็จะสามารถหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่ได้อยู่ที่เพศไม่ได้อยู่ที่ไวัยไม่ได้อยู่ที่ฐานะว่าต้องเป็นคาลวะาร์หรือต้องเป็นนักบวชอยู่ที่ว่าสามารถปฏิบัติตามคาสอน ที่พระพุทธเจ้าทรงนามามาเผยแผ่สั่งสอนให้ได้หรือไม่ทั้งนั้นเองทมในวันวาาสาร บ, บูชาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเป็นครั้งแรกนั้นเรียกว่าธรรมจากกับปวัตนสุนเป็นการเปิดโลกให้โลกได้มาสัมผัสกับธรรมจกักคือพระธรรมคำสอนที่จะพาให้ผู้ที่ศึกษา ได้นําอาไปปฏิบัติและได้หลุดพ้นออกจากกองทุกได้ทางที่ทางสู่การหลุดพ้นนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเป็นทางสายกลางมัชชิมาปฏิปทาคือเป็นทางที่อยู่ระหว่างทางอีกสองทางที่เรียกว่าทางสุดตรงคือทางของการใช้การหาความสุขทางโลกธรรม คือลาบยศสารเสริญและความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายมาใช้ในการดับความทุกข์ใจซึ่งซึ่งแทนที่จะดับความทุกข์ใจกลับกลายเป็นการสร้างความทุกข์ใจให้มีเพิ่มมากขึ้นเพราะโลกธรรมคือลาบยศสารเสริญและความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้เป็นของที่ไม่ เท่งเป็นของที่ไม่ถาวรเป็นความสุขชั่วคราวมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวก็ดับไปพอความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญสุขดับไปสิ่งที่กลับคืนมาก็คือความทุกข์ใจอันนี้ไม่ใช่ทางสู่การ น, นำนาไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ซึ่งคนในโลกนี้ถ้าไม่ได้ศึกษาพราธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะหลงคิดว่าการที่คนเราจะมีความสุขได้การที่คนเราจะพ้นจากความทุกข์ได้นั้นต้องมีความเจริญในราบยศสรรเสริญสุขต้องต้องร่ารวยต้องมีตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ต้องมีผู้ที่ยกย่องสรรเสริญมีรา ง, งวีรางวัลต่างๆและมีความสุขจากการได้เส รูปเสียงกิรนลดโพธิภพชนิดต่างๆต่อให้ได้ลาบยศสารเสริญสุขเหล่านี้มากน้อยเพียงไรความสุขที่ได้จากลาบยศสารเสริญสุขนี้ก็ดับความทุกข์ใจได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นพอความสุขของลาบยศสารเสริญสุขหมดลงเมื่อไหร่เวลานั้นความทุกข์ก็จะกลับคืนขึ้นมาอีกพระพุทธเจ้าก็เคยใช้วิธีนี้ ในสมัยที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพระองค์ก็ทรงใช้ลาบยศสารเสริญสุขนี้มาเป็นเครื่องให้ความสุขระดับความทุกข์ให้กับท่านแต่ท่านก็สังเกตเห็นว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเวลาความสุขชั่วคราวหมดไปความทุกข์หรือความเศร้ามันก็ตามมาต่อไปทุกขั้งไปจึงทรงเห็นว่านี่ไม่ใช่เป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ แล้วก็ท่งไปมองอีกด้านหนึ่งคือมองดูพวกฤาษีชีภัยทั้งหลายที่คิดว่าการทรมานร่างกายด้วยวิธีวิธีการต่างๆจะทำให้ความทุกข์ใจหมดไป mm hmm. เช่นทรมานร่างกายด้วยการไม่อาบน้ำไม่ตัดผมไม่ใส่เสื้อผ้าหรือนั่งอยู่บนที่นั่งที่มีของแหลมคม หรือมีการปีดร่างกายให้เจ็บให้ปวดการกระทาเหล่านี้ก็ไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้เพราะความทุกข์ทางทางใจนี้อยู่ในใจนนไม่ได้อยู่ที่ร่างกายพระพุทธเจ้าก็ทรงทดลองอยู่ทรงอดพระกายอาหารถึงสี่สิบเก้าวันด้วยกันก็ไม่สามารถดับความทุกข์ของใจได้ถึงแม้จะมีความ สามารถที่จะสู้กับความทุกข์ยากของร่างกายความความหิวโหยของร่างกายก็ตามแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะความทุกข์ทางใจได้ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตาย<ม>ก็ยังมีอยู่ในใจของพระองค์อยู่<ม>พระองค์จึงทรงเห็นว่าทางทั้งสองทางนี้มไม่ว่าจะเป็นทางที่ใช้โล ก, กธรรมหรือลาภยศสารเสริญสุข หรือการใช้การทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆก็ไม่สามารถที่จะกําจัดความทุกข์ของใจได้เพราะองค์จึงทรงย้อนมาดูวิธีการจิตตภาวนาคือการทำจิตใจให้สงบเข้าสมาธิเข้าฌานก็ทรงเห็นว่าอันนี้เป็นวิธีที่เวลาจิตสงบ จิตเข้าฌานแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปหมดแต่เวลาที่ออกจากสมาธิออกจากฌานมาพอจิตเริ่มคิดเริ่มปรุงเกี่ยวกับเรื่องสังขารร่างกาย<ม>ความทุกข์ก็ยังเกิดขึ้นมาอีก<ม>พระองค์ก็เลยต้องวิเคราะห์ดูว่าเวลาที่อยู่ในสมาธิทาไมถึงไม่มีความทุกข์เวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วทำไมจึงมีความทุกข์ พรงก็ทรงเห็นว่าขณะที่อยู่ในสมาธิใจไม่มีความคิดปรุงแต่งไม่มีความคิดอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็เลยไม่ทุกเวลาที่อยู่ในสมาธิแต่เวลาใจออกจากสมาธิมาพอาใจเห็นร่างกายแล้วเริ่มคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็เกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายขึ้นมา ก็เลยเกิดความทุกข์เกิดความกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายขึ้นมาองค์ก็เลยสามารถสรุปต้นเหตุของความทุกข์ใจได้ว่าเกิดจากความอยากของใจเองเกิดจากความอยากที่จะอยากจะให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆอยากจะให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะอยากจะใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือ ในการหาความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นั่นเอง mm hmm. จึงไม่อยากให้ร่างกายต้องเป็นอะไรไปแต่พอคิดถึงความเป็นจริงของร่างกายว่าทุกร่างกายไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามไม่ว่าจะได้ยากดีมีจนไม่ว่าจะสูงหรือจะต่ำก็ตำ่ำร่างกายของทุกคนนี้ตกอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตา mm hmm. ร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจัง mm hmm. เป็นอนัตตาคือเป็นของที่เป็นมาจากธรรมชาติมาจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟไม่มีตัวตนในร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเหล่านี้ไม่ได้เป็นร่างกายเราที่มาทุกข์กับร่างกายคือใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายใจนี้เป็นธาตุรู้เป็นผู้รู้ผู้คิดผู้ไปหลงคิดว่าตนเองเป็นร่างกายและไปหลงอาศายัยร่างกาย เป็นเครื่องมือในการหาความสุขจึงเลยทาใหเ้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายเกิดความอยากให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันตายพอเจอกับความจริงของร่างกายเวลาที่ร่างกายแก่หรือเวลาที่ร่างกายเจ็บหรือเวลาที่ร่างกายตายใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่พอมองสภาพความเป็นจริงว่า ทำอย่างไรก็ห้ามความแก่ไม่ได้ห้ามความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ห้ามความตายไม่ได้แล้วจะไปอยากทำไมจะไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไม่ตายทำไมเพราะอยากเราจะทำให้เกิดความทุกข์ใจถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็อย่าไปอยากมันเท่านั้นเองทำใจให้เฉยเฉยเหมือนตอนที่เข้าไปในสมาธิเวลาอยู่ในสมาธิใจก็เฉยเฉยไม่มีความอยาก เวลาออกมาจากสมาธิก็ต้องเอาสภาพที่อยู่ในสมาธิมาใช้ในขณะที่อยู่นอกสมาธิก็คือทําใจให้เฉยๆที่เรียกว่าอุเบกขาวางเฉยสักแต่ว่ารู้ร่างกายจะแก่ก็รู้ว่ามันต้องแก่ร่างกายจะเจ็บก็ต้องรู้ว่ามันต้องเจ็บร่างกายจะตายก็รู้ว่ามันต้องตายยอมรับมันเท่านั้นเอง ยอมรับความจริงของร่างกายว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็ไม่ทุกข์กับมันการที่จะไม่อยากกับความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ก็ต้องไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอย่าไปใช้ร่างกายไปหาความสุขจากลาบยศสารเสรินจากรูปเสียงกิน่นร ถ, ถทุทถะ ให้มาหาให้มาหาความสุขจากการทำใจให้สงบด้วยการควบคุมความคิดด้วยการหยุดความคิดแล้วก็ถ้าควบคุมความคิดได้หยุดความคิดได้ก็จะหยุดความอยากได้พอใจมีความสามารถที <elle> ่จะหยุดความคิดหยุดความอยากได้ความทุกข์ที่เกิดจากความคิดเกิดจากความอยากก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาต่อไป อันนี้แหละคือการบรรลุธรรมคือการหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะได้เข้าถึงสัจธรรมความจริงว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากของใจเองแล้ววิธีที่จะทำให้ความอยากนี้หยุดไป<ม>ก็ต้องการใช้การปฏิบัติภาวนาจิตตภาวนาที่มีสองขั้นคือส ม, มถาภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ขั้นแรกก็ใช้สติคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดด้วยการใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเวลาที่นั่งสมาธิหรือใช้การดูลมหายใจเข้าออกแต่การที่จะนั่งสมาธิได้ผลนี้จําเป็นต้องฝึกสติมาก่อนไม่ใช่มาฝึกสติตอนที่มานั่งเพราะกําลังจะไม่พอต้องฝึกสติอยู่เรื่อยๆถ้าเป็นไปได้ฝึกทั้งวัน ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลานอนหลับอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปคอยควบคุมความคิดด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือ ด, ด้วยการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายร่างกายทำอะไรก็ให้ใจนี้จดจ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าเราสามารถจดจอ่อให้อยู่กับพุโทโธหรือจดจอ่อให้อยู่กับการเคลื่อนไหวหการกระทำต่างๆของร่างกายได้ความคิดก็จะน้อยลงเบาลงถ้าเราทำอย่างนี้ได้เวลามานั่งสมาธิเราก็จะสามารถนั่งนิ่งๆได้ทำใจให้นิ่งได้โดยการใช้คำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธหรือการใช้การดูลมหายใจเข้าออกถ้าเรามีสติมีกำลังมาก เราจะนั่งได้อย่างสบายไม่รู้สึกเปื้อัดไม่รู้สึกเจ็เบตรงนั้นปวดตรงนี้<ม>เพราะใจไม่ได้ไปดิ้นโลนหาอะไรใจอยู่เฉยๆได้<ม>เพราะใจอยู่เฉยๆได้มีสติคอยกำกับใจที่เคยคิดอยู่เรื่อยๆก็จะหยุดคิดได้จะอยู่นิ่งๆได้อยู่เฉยๆได้<ม><ม>ขณะที่ใจอยู่นิ่งๆเฉยๆขณะนั้นเราเรียกว่าสมาธิ ขณะนั้นใจก็มีแต่ความเย็นมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปใช้ร่างกายไปหาลาบยศสารเสริญสุขมาเสพนี่คือวิธีการอันแรกที่จะทําให้เราสามารถที่เลิกพึ่งร่างกายได้เลิกพึ่งการเสพลูกเสียงกลิ่นลดเลิกเลิ ก, เลกพึ่งการหาลาบยศสารเสริญ ส, สุข มาให้ความสุขกับเราได้เพราะเราสามารถหาความสุขที่มีอยู่ในตัวของเราได้ด้วยการฝึกเจริญสตินั่งสมาธินั่นเองแล้วเวลาหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาพอใจเราเริ่มคิดล้วเริ่มมีความอยากที่จะกลับไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอยากจะกลับไปหาลาบยุทธสารเสริญสุขเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญามาสอนใจว่า ลาบยศสารเสริญสุขนี้ก็เป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นของที่ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเวลาหมดไปความสุขที่ได้มันก็หมดไปความทุกข์ก็จะกลับมาใหม่แล้วเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถรักษาหรือห้ามไม่ให้มันหมดได้ไม่ให้มันเสื่อมได้ไม่สามารถทำให้มันเป็นนิจจังได้มันเป็นอนิจจังมันเป็นของชั่วคราวไม่ใช่เป็นของถาวร ถ้าเราไปยึดไปติดไปอาศัยไปอยากมันมันก็จะทำให้เราทุกข์นั่นมันก็จะทำให้เรามาทุกข์กับร่างกายเพราะเราต้องใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือในการที่จะไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากลูกเสียงกิ่นรดนั่นเองต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าการไปหาสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการไปหาความสุข สู้อยู่เฉยๆอยู่กับความนิ่งสงบของใจดีกว่าก็สามารถจะหยุดความอยากได้หยุดความอยากได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิแต่ใช้ปัญญาใช้เหตุใช้ผลสอนใจให้เห็นว่าการมีความอยากกับสิ่งต่างๆนี้นาไปสู่ความทุกข์การหยุดความอยากที่จะไปมีสิ่งต่างๆมาให้ความสุขนี้อันนี้แหละคือการการดับความทุกข์และการทาให้ใจมีความสุข พอใจไม่มีความอยากแล้วในี่ใจจะนิ่งจะสงบจะเย็นเหมือนตอนที่เข้าไปในสมาธิเลยอันนี้แหละคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตรัสรู้และได้ใช้ในการดับความทุกข์ในใจของพระ อ, องค์จนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เลยทุกครั้งที่ใจเกิดความอยากไม่ว่าจะอยากกับอะไรก็ตามนอกเหนือจากความอยาก ได้ความสุขจากลาบยศสารเสริญจากร่างกายแล้วความความอยากในในทางอื่นก็ก็ต้องหยุดมันเช็นความอยากให้ใจสงบก็ต้องหยุดมันใจบางครั้งมันก็สงบบางครั้งมันก็ไม่สงบมันก็ยังเป็นอนิจจังอยู่มันเป็นของไม่เที่ยงเพราะมันมีอารมณ์ต่างๆที่อยู่ในใจที่เป็นของไม่เที่ยงจะ ใจที่เคยได้สมาธิก็อยากจะให้มันสงบเหมือนตอนเข้าสมาธิแต่เมื่อมองแล้วเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติของใจที่มันยังต้องมีการมีอารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางเวลาก็สุขบางเวลาก็ทุกข์บางเวลาก็สงบบางเวลาก็เครียดบางเวลาก็ฟุ้งซ่านบางเวลาก็วุ่นวายอันนี้เป็นปกติของใจ อย่าไปอยากให้มันไม่เครียดไม่ไม่วุ่นวายเวลามันวุ่นวายก็ให้ใช้ปัญญาให้ใช้สติดูมันดูว่ามันเป็นธรรมชาติที่แปรปรวนไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเหมือนกับร่างกายที่แปรปรวนเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเราไม่ต้องไปทำอะไรเพียงแต่รู้เฉยๆแล้วปล่อยวาง ถ้าเราปล่อยวางได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรต่อไปไม่ทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ใจมาสัมผัสรับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายห ร, หรือผ่านทางใจใจก็มีสิ่งที่ปรากฏแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆที่เราเรียกว่าธรรมอารมณ์ใจเรานี้มีอารมณ์ต่างๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางวันก็เสื่อมเศร้าบางวันบางวันก็ดีใจวันสุขใจ บางวันก็เสียใจอันนี้เป็นเรื่องปกติของใจสำหรับผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจใจที่ยังไม่หลุดพน้นนี้ยังเป็นใจที่แปรปูวนอยู่แต่พอเข้าใจแล้วว่าเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือความอยากถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปให้ความสำคัญกับการแปรปูวนต่างๆของใจให้สั่งแต่ว่ารู้ไปให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ดับไป ถ้าใจรู้เฉยๆโดยไม่มีความอยากใจก็จะไม่ทุกข์กับการแปรปรวนต่างๆของธรรมอารมณ์ใจไม่ทุกข์กับการแปรปรวนของโล ก, กธรรมำลาภยศสรเสริญสุขใจไม่ทุกข์กับการแปรปรวนของสัร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่ไม่มีใครสามารถที่จะไปยับยั้งไปเปลี่ยนแปลงมันได้แต่สามารถอยู่กับมันได้ไม่ทุกข์กับมันได้ ด้วยการทำใจให้เฉยๆให้รู้เฉยๆนั่นเองและการที่จะทำใจให้เฉยๆได้ก็ต้องอาศัยการฝึกสติการนั่งสมาธิการเข้าฌานนั่นเองดฉะนั้นถ้าเรายังไม่สามารถทำใจให้เฉยได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีสมาธิเรายังไม่มีอุเบกขาเรายังไม่มีสติพอที่จะทำให้ใจสงบทำให้ใจนิ่งได้ เมื่อเร า, ายังไม่สามารถทำใจให้นิ่งได้เราก็ต้องมาฝึกสติกันก่อนเราต้องมาฝึกสติามานั่งสมาธิมาทำใจให้นิ่งให้เฉยให้ได้และการที่จะทำให้เรามีสตินั่งสมาธิแล้วทำใจให้เฉยได้เราต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติเพราะการที่จะฝึกสติและทำใจให้นิ่งให้สงบเป็นสมาธินี้ <S <S เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็น ทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นมาจนหลับเราถึงจะสามารถที่จะฝึกสตินั่งสมาธิให้เกิดผลขึ้นมาได้ดังนั้นการที่เราจะมาฝึกสติหรือนั่งสมาธิได้เราเลยต้องมีการรักษาศีลคือศีลของนักบวชคือศีลแปดขึ้นไปเพราะถ้าเราไม่มีศีลแปด น, นี้เราก็จะถูกความอยากดึงให้เราไปหาความสุข จากรูปเสียงกลิ่นรสผุดเถรภาหาความสุขจากคนนั้นคนนี้หาความสุขจากการดื่มจากการรับประทานอาหารหาความสุขจากการดูการฟังพวกบรรันเทิงมหัศจรรยต่างๆหาความสุขจากการหลับนอนจึงจําเป็นที่จะต้องอตั้งกฎขึ้นมาห้ามไม่ให้ไปหาความสุขเหล่านี้กฎที่จะมาห้ามไม่ให้ไปหาความสุข จากรูปเสียงกิริยลจากคนนั้นคนนี้ก็คือศิลแปดนี่ศินแปดสินข้อที่สามก็ห้ามไม่ให้มีการร่วมเพศเลยไม่ให้มีการร่วมหลับนอนจะได้ไม่จะได้เอาเวลาที่ไปร่วมหลับนอนกันนี้มาฝึกสติมานั่งสมาธิแทนแล้วก็ห้ามไม่ให้รับประทานอาหารมากเกินไปรับประทานแค่เที่ยงวันก็พอจะได้เอาเวลาหลังจากเที่ยงวันไปแล้วให้กับการไปฝึกสติไปนั่งสมาธิกัน แล้วก็ห้ามไม่ให้ไปดูหนังฟังเพลงไม่ให้ไปเสริมสวยความงามทางร่างกายด้วยการใส่เสื้อผ้าพอพรที่สวยสดงดงามหรือด้วยการใช้เครื่องสาอางเครื่องน้ํมันน้ำหอมอะไรชนิดต่างๆซึ่งเป็นความสุขที่ประดียวประเดาไม่ไม่ยั่งยืนแล้วจะทําให้ใจทุกเวลาที่ไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านี้ เราจะเสียเวลากับการปฏิบัติไปให้ระ ง, งับการทำกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็ให้ระ ง, งับการนอนมากเกินไปให้นอนคืนละสี่ห้าชั่วโมงก็พอเพราะร่างกายของผู้ปฏิบัติทมนี้ถ้าได้นอนเพียงสี่ห้าชั่วโมงก็พอเพียงต่ อ, ตอความต้องการของร่างกายถ้าปล่อยให้นอนบนฟูกหนาๆบนเตียงสำรานเวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนพอแล้ว พอตื่นขึ้นมาใจที่มีกิเลสก็จะไม่อยากจะลุกเพราะอยากจะหาความสุขจากการหลับนอนบนทูกหนาหนาบนเตียงเปนทูกที่สบาย mm hmm. อย่างนั้นถึงต้องมานอนบนเตียงที่เป็นพื้นแข็งแข็ง mm hmm. ไม่สบายแต่หลับนอนได้ mm hmm. เวลาที่ร่างกายร่วงนอนนี้จะนอนบนพื้นแข็งแขงหรือนอนบน mm hmm. บนทูกหนาหนาก็หลับได้เหมือนกัน ต่างกันตรงที่เวลาที่ได้พักผ่อนพอแล้วถ้านอนบนบนฟูกหนาหนๆตื่นขึ้นมาแล้วจะไม่อยากจะลุกอยากจะนอนต่อแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆนี้พอตื่นขึ้นมาแล้วจะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันเจ็บเจ็บหลังไม่สบายก็จะรีบลุกขึ้นมาเพื่อที้แจงมานั่งนั่งสมาธิหรือมาเดินจกงกรมต่อไปนี่คือสิ่งที่ผู้ต้องการที่จะ เจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี้จาเป็นที่จะต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าความอยากหรือกิเลสตัณหานี้มันทำงานตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นขึ้นมานี้กิเลสตัณหาเริ่มออกมาทำงานก่อนเลยพอตื่นขึ้นมาก็อยากกินนู่นอยากกินนี่อยากดื่มนั่นอยากดื่มนี่แล้ว อยากจะไปนั่นอยากจะไปนี่มันคิดอยู่ตลอด เ, ลเวลาคิดอยู่กับเรื่องอยากแล้วถ้าเราไม่มีกำลังที่จะสู้มันเราก็จะถูกมันฉุดลากเราไปทำตามความอยากกันแล้วเราก็ต้องไปเจอกับเรื่องราววุ่นวายต่างๆตามมาอีกต่อไปนั้นะเราต้องพยายามสู้กับกิเลสตัญหาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอเราเตื่นขึ้นมากิเลสทางานแล้ว ธรรมะคือสติก็ต้องเริ่มทางาน ท, างทันทีอย่าปล่อยให้กิเลสมันต่อยเราชกเราเพียงด้านเดียวเราต้องเอาธรรมะมาต่อยมันบ้างชกมันบ้างเราต้องใช้พุโทโธพุทโธสู้กับมันบ้างพอมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้กับพุโทโธพุโทโธพุทโธไปหรือถ้าเราพุโทโธไม่ไหวเราจะใช้การบังคับให้มันเข้าดูร่างกายก็ได้ กำลังแปลงฟันก็ให้มันอยู่กับการแปลงฟันอย่างเดียวอย่าให้มันไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับการแปลงฟันเวลาล้างหน้าก็ให้มันอยู่กับการล้างหน้าเวลาอาบน้ําก็อยู่กับการอาบน้ำเวลาแต่งตัวก็อยู่กับการแต่งตัวให้มันอยู่กับเรื่องที่ร่างกายกําลังทําอยู่เพีอย่างเดียวอย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่อง อ, ง <S <S 2> <S 2> อ<ย>ื่นถ้าเราคอยควบคุมบังคิดบางคับมันด้วยสติต่อไปเราจะสติเราจะมีกําลังมาก จะสามารถหยุดความคิดได้พอจะคิดปับ๊บพอสติรู้ปับ๊บมันก็หยุดปั๊บได้เลยนี่คือสิ่งที่เราต้องการสร้างขึ้นมาก็คือสตินี่การจะสร้างสติได้นี้เราก็ต้องมีศีลเป็นผู้สนับสนุนนอกจากศีลแล้วเราก็ยังต้องมีมีสถานที่ที่สงบที่ไม่มีอะไรมารบกวนใจเราถ้าเราอยู่ใกล้คนที่เขาไม่ถือศีลนี่จะลาบาก เวลาเขากินข้าวเย็นเดี๋ยวอาหารก็โชยเข้ามาที่จมูกเราพอได้กลิ่นอาหารแล้วกินเลสความอยากกินมันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกหิวขึ้นมาสุดขีดบางทีจะทนไม่ไหวจะทนอดถือศีลไม่ได้พอได้กลิ่นอาหารนั้นความอยากมันโผล่ขึ้นมาทั้ ง, ท, ง, ท, งทั้งทั้งที่ร่างกายมันก็ไม่ได้หิว แ, แต่ใจมันเริ่มหิวแล้วพอได้กลิ่นของอาหารฉะั้นจาเป็นจะต้องไปอยู่ที่ห่างไกลจาก รูปเสียงกิน่นรสแค่ไปอยู่ตามวัดปฏิบัติธรรมวัดปฏิบัตินี้เขาจะไม่มีอาหารไม่มีการรับประทารในในหลับในยาวิการแล้วเขาจะไม่มีเครื่องบรรเทิงต่างๆไม่มีทรทัศน์ไม่มีวิทยุไม่มีเครื่องดนตรีหรืออะไรต่างๆก็จะเป็นที่สงบสงัดวิเวกไม่มีอะไรมากระตุน้นมาสร้างความอยากให้เกิดขึ้นกับใจ การจะภาวนาได้ได้ประโยชน์ได้ความสําเร็จนี้จําเป็นต้องมีหนึ่งต้องมีสีลแปดคือสํารวมอินทรีย์อินทรีย์สังวรสํารวมตาหูจมูกนิ้นกายสองต้องมีสถานที่สงบสงัดวิเวกและเวลาที่เราไปอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกถ้ามีอยู่ด้วยกันหลายคนก็ให้แยกกันอยู่อย่าคุกคีกันอย่าอยู่ใกล้กันอย่าอย่าจับกลุ่มสนทนากัน พราะเวลาสนทนากันก็ต้องใช้ความคิดพอคิดไปคิดมาเดี๋ยวว่าจิตก็จะฟุ้งซ่านขึ้นมาเวลาแยากไปนั่งสมาธิก็จะนั่งไม่ได้เพราะมันยังคิดถึงเรื่องที่กําลังคุยกันอยู่นั้นถึงแม้ว่าจะไปอยู่ที่วิเวกเช่นอยู่ตามวัดปฏิบัติ ต, าต่างๆก็ต้องแยกกันอยู่อย่าอยู่ใกล้กันอย่ามีอย่าให้มีโอกาสได้พูดกันบางสำนักถ้ามีคนไปอยู่เยอะๆแล้วต้องอยู่ใกล้กันเขาก็ห้ามพูดคุย เขาจะมีกฎห้ามคุยกันเพราะถ้าคุยแล้วมันใจมันก็จะฟุ้งคุยกันคุยเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวก็คุยเรื่องนั้นต่อคุยเรื่องนั้นต่อแล้วคุยเรื่องนู้นต่อคุยไปคุยมาเดี๋ยวอาจความเห็นไม่ตรงกันก็ทะเลาะกันขึ้นมาอีกทาให้เกิดความโกรธขึ้นมาอีกเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาอีกอันนี้เป็นเรื่องสําคัญสําหรับผู้ปฏิบัติจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหัดอยู่คนเดียวให้ได้ถ้าอยากจะปฏิบัติแล้วได้ผลดี ถ้าอยู่ร่วมกันแล้วก็ต้องใช้วิธีแยกกันถ้ามาทำกิจกรรมร่วมกันก็ไม่ให้คุยกันต่างคนต่างทำหน้าที่มาไหว้พระสวดมนต์ก็สวดมนต์ไปไหว้พระไปไม่ถามสา ร, สา ร, สารทุกข์สุขดิบว่าเป็นยังไงวันนี้สบายดีหรือไม่มาจากที่ไหนจะไปทำอะไรไม่ต้องคุยกันทำหน้าที่ของตนไปไหว้พระสวดมนตก็สวดมนตไปนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมก็ฟังไป พอเสร็จเกจก็แยกกันไปตามสถานที่ของตนไปเดินจงกรมต่อไปนั่งสมาธิต่ อ, อ น, นี่คือการปฏิบัติถ้าอยากจะให้ได้ผลนี้มันต้องปฏิบัติแบบมืออาชีพคือต้องปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับซึ่งเราถ้าเป็นค า, ารวาสนี้คู่ของเรือนี้ก็ยังอาจจะทำไม่ได้ก็ทำได้ก็เฉพาะช่วงที่มีวันหยุดเช่นช่วงนี้มีวันหยุดหกวัน บางคนก็ถือโอกาสอยู่ทุกวันนี้ไปหาสถานที่สงบตามวัดปฏิบัติต่างๆแล้วก็ไปฝึกสติฝึกนั่งสมาธิรักษาศีลแล้วก็เดินเดินจงกรมฟังเทศฟังธรรมไปอันนี้ก็พอทาได้ในเบื้องต้นก็ทำได้แค่นี้ก่อนสำหรับผู้ที่ยังเป็นผู้คลองเรือนอยู่แล้วถ้าทำไปแล้วเกิดได้ผลดีได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบได้พบการหลุด การดับของความทุกเวลาที่เราสามารถเอาชนะความอยากได้มันก็จะทำให้เรามีกำลังใจมีฉันทะวิริยะมีความยินดีที่อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเราก็จะต้องวางแผนว่าเราจะต้องหาวิธีหาเวลามาให้กับการปฏิบัติเพิ่มให้มากขึ้นซึ่งถ้าเราทำงานอยู่เป็นงานที่ทำแบบตลอดทั้งอาทิตย์นี้เราก็อาจจะคิดเปลี่ยนงานก็ได้ถ้าเรายังต้อง ทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่ mm hmm. เราก็อาจจะเปลี่ยนฐานงานที่เราอาจเลือกเวลาทํางานได้ทํางานอาชีพอิสระวันไหนอยากจะทำก็ทำวันไหนไม่มีความจาเป็นต้องทำก็ไม่ต้องทำ mm hmm. เพื่อที่จะได้มีเวลาให้กับการปฏิบัติมากขึ้น mm hmm. เราต้องมีการพัฒนาต้องมีการวางแผนในการปฏิบัตินี้ mm hmm. ต้องวางแผนหาวิธี การปฏิบัติให้ของเราให้มีเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ใจของเรามีกำลังมากขึ้นมีสติมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นเพราะถ้าใจเราเริ่มมีสติมีสมาธิมีปัญญามากขึ้นแล้วมันจะมีพลังที่จะทำให้เราล้นละกิเลสได้มากขึ้นจะทำให้เราพึ่งทางโลกได้น้อยลงไปจนจะทำให้เรามีกำลังที่จะไปอยู่เป็นแบบนักบวชได้เลย แต่เราต้องมีการพัฒนาเป็นขั้นๆไปถ้าเรายัางตอนนี้เป็นคาลาวาสอยู่ mm hmm. ก็ต้องวางแผนว่าจะทำยังไงให้เราได้มีเวลาปฏิบัติมากขึ้นทำงานให้น้อยลง mm hmm. เราก็ต้องใช้ชีวิตแบบบางน้อยสันโดษ mm hmm. เพราะถ้าเราใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยมันก็รายจ่ายสูงร mm hmm. ายจ่ายสูงก็ต้องหาเงินมา mm hmm. จ่ายรายจ่ายที่สูงก็ต้องทางานมาก mm hmm. เมื่อทางานมากมันก็จะไม่มีเวลาให้กับการปฏิบัติ ถ้าอยากจะให้มีเวลากับการปฏิบัติ mm. เพื่อเราจะได้ไม่ต้องทำงานเราต้องเรา ก, เราก็เราก็ทำงานน้อยลงวิธีที่จะทำงานน้อยลงเราก็ต้องลดรายจ่ายเรา mm hmm. อยู่แบบมากน้อยสันโดษเ mm hmm. สื้อผ้าเรามีพอหรือยังถ้ามีพอแล้วก็ไม่ต้องซื้อ mm hmm. ของที่ของใช้ที่จำเป็นที่เราต้องใช้มีพอหรือยังมีพอแล้วก็อย่าไปซื้อ mm hmm. นี่เรียกว่ามากน้อย สันโดษก็ยินดีตามฐานะของเราเรามีรายได้น้อยเราทำงานน้อยเราก็ใช้น้อยๆไปตามกำลังของเรานักปฏิบัติธรรมนี้ต้องต้องมีความมักน้อยสันโดษในการบริโภคปัจจัย4ี่ <c oughs> คืออาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค <c oughs> อย่าไปอยู่แบบหรูหราอยู่แบบฟุ่มเฟือยเพราะมันต้องใช้เงินมากเมื่อต้องใช้เงินมากก็ต้องหาเงินมาก เมื่อหาเงินมากก็ต้องใช้เวลามากให้กับการหาเงินหาทองเวลาที่จะมาให้กับการปฏิบัติมันก็จะมีน้อยถ้าเราอยากจะได้มีเวลาให้มากกับการปฏิบัติเราก็ต้องยอมอยู่แบบมักน้อยสันโดรลองหัดถือศีลแต่กินแค่วันละมือ้ออย่างนี้ก็อยู่ได้แล้วไม่ตายรับประกันได้ไม่ตายดีเสียอีกสุขภาพอาจจะดีกว่าคนที่กินสามื้อ4ี่มื้อสคนที่กินมากๆนี้มักจะต้องไปโรงพยาบาลหาหมอกัน เพราะความดันขึ้นบ้างเบาหวานขึ้นบ้างไขมันขึ้นบ้างของเหล่า น, นี้มันเกิดจากการบริโภคมากเกินไปมันไม่ได้เกิดจากการอดอยากขาดแคลนค น, คนอดอยากขาดแคลนนี้แทบจะไม่มีโรคไขเหล่านี้เลยสมัยก่อนเมืองไทยนี้จะไม่ค่อยมีโรคอ้วนกันเพราะสมัยก่อนเมืองไทยไม่ไม่ใช่มีการอยู่อยู่ดีกินดีเหมือนสมัยนี้ สมัยนี้มันอยู่ดีกินดีมันมีพัฒนาการทางเทคโนโลยีทำให้เราสามารถผลิตอาหารกันได้มากผลิตสินค้ากันขึ้นมาได้มากเมื่อมีสินค้ามีของบริโภคมากมันก็เกิดความอยากบริโภคตามมาพอบริโภคมากมันก็เลยเกิดโรคที่ตามมาโรคโรคที่เกิดจากการบริโภคนั่นแะหละโรคอ้วนบ้างโรคไขมันอุดตันความดันสูงต้องไปหาหมอต้องไปกินยาต้องไปรักษา แต่สมัยก่อนโลกเหล่านี้ไม่ค่อยมีกันเท่าไหร่เพราะว่าสมัยก่อนคนเราอยู่กันแบบมากน้อยสันโดษกันยินดีตามมีตามเกิดชีวิตสงบมากกว่าสมัยนี้ถึงแม้จะไม่เจริญไปไหนมาไหนต้องใช้ใช้เรือพายไปก็มีความสุขได้ไม่เหมือนสมัยนี้ใช้รถไฟฟ้าใช้อะไรกันไปแต่ใจนี้วุ่นวายกันเวลาอยู่บนท้องถนนนี้บางทีจะฆ่ากันเลยเพราะใจร้อนอยากจะไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง ใครมาแซงหน้าปอดหน้าขึ้นมาทีนี้ก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาทันทีสมัยก่อนคนใจเย็นกว่าสมัยนี้เยอะไม่รีบร้อนไปไหนเพราะไม่มีอะไรที่จะต้องไปหาเพราะพอมีพ อ, พ อ, พอกินแ ล, แล้วก็ไม่มีของอะไรที่จะมายั่วกิเลส ต, ตัณหาเหมือนสมัยนี้ดังั้นเราต้องระมัดระวังเรื่องการบริโภคนี่ให้พยายามใช้หลักมากน้อยสันโดษถามตัวเองว่าจําเป็นไหมเวลาเราอยากได้อะไร ถ้าไม่ได้มันมาแล้วเราจะตายไหมถ้าไม่ตายก็แสดงว่าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเอาถ้าอันไหนมันจำเป็นขาดมันไม่ได้ขาดมาแล้วมันจะลำบากก็ก็ต้องเอาอันนี้เรานี่คือวิธีแยกแยะระหว่างความความจำเป็นความมากน้อยกับความโลภมากว่าเป็นอย่างไรถ้ามันไม่ไม่จำเป็นแล้วเอามานี้แสดงว่าโลภแต่ถ้ามันจำเป็นต้องเอามาอันนี้ไม่ถือว่าโลภ นี่คือหลักการของผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่ต้องการจะไปทางธรรมผู้ที่ต้องการจะปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเราต้องดูตัวอย่างของพระพุทธเจ้าเอง<ม>ตัวอย่างของพระอริยสงสากท่านอยู่แบบไหนท่านอยู่แบบฟุ่มเฟือยหรือท่านอยู่แบบมักน้อยสันโดษถ้าท่านอยู่แบบฟุ่มเฟือยท่านก็อยู่ในวังเจ้าชายสิทธัตถะก็บวชในวังก็ได้แล้วปฏิบัติในวังก็ได้ แต่ถ้ารู้ว่าอยู่ในวังปฏิวัตินวังนี้ไม่มีวันสำเร็จเพราะมีแต่เรื่องที่จะมากระตุ้นกิเลสตลอดเวลาท่านเลต้องออกไปอยู่แบบขอทานอยู่แบบเดินตายอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่มีกุฏิไม่มีบ้านอยู่ก็ไม่เป็นไรทำเพลิงกันแดดกันฝนอพอหลบแดดหลบฝนได้ก็โอเคขออย่างเดียวขอให้มันที่ที่มันสงบไม่มีอะไรมารบกวนใจ ไม่มีอะไรมายั่วยวนกวนใจมาคอยดึงกิเลสตัณหาให้ออกมาทั้งเองเพื่อที่จะได้ทําจิตใจให้สงบเพราะว่าเวลาที่จิตใจสงบแล้วมันแสนจะสุงเหมือนกับขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นแล้วมันจะทําให้มีพลังที่จะต่อสู้กับกิเลสความอยากต่างๆได้นี่คือแนวทางของการที่ปฏิบัติให้ได้เกิดผลได้ความสาเร็จนี้ผู้ปฏิบัติต้องสารวมอินทรีย์ สำรวมตาหูจมูกมิ้นกายด้วยการถือศีลแปดแล้วก็ไปปีกวิเวกไปอยู่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงแล้วถ้าไปอยู่ที่มีผู้ปฏิบัติอยู่ด้วยกันหลายคนก็ให้แยกกันอยู่อย่าคลุกคลีกันเวลามาทำกิจกรรมอะไรก็อย่าคุยกันทำหน้าที่ของตนเองไปพอเสร็จหน้าที่ก็แยกแยะ ก, กันไปก็ไปอยู่ที่ของตนเพื่อไปเจริญสติไปนั่งสมาธิ ถ้าทำอย่างนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องทําก็คือต้องคอยเจริญสติตลอดเวลาเมื่อ<ะ>มีการสรํารวมมินทรีแล้วมีการอยู่ติกวิเวกแล้วมีการไม่คุก ค, คีกันแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งก็คือต้องอเจริญสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องอมีการพกโพชบริโภคอาหารพอประมาณ อย่ามากเกินไปถึงแม้จะกินมื้อเดียวหรือสองมื้อก็ยังกินมากได้อยู่ต้องกินพอให้มันอยู่ได้ก็พออย่าให้มันอิ่มเกินไปเพราะเวลาที่มันอิ่มมากๆหนังท้องมันจะเตึงแล้วหนังตามันจะหย่อนเวลาอีกกินอิ่มๆแล้วจะไปนั่งสมาธินี้มันนั่งหลับนั่งไม่ได้เวลาให้มันเดินจงกรมก็มันก็ไม่ค่อยอยากจะเดินแต่ถ้าเรากินแบบพอพอประมาณไม่ไม่ไม่อิ่มจนเกินไปแต่ก็ไม่หิว ขอให้เรากินเพื่อดับความหิวอย่าไปกินเพื่อให้มันอิ่มพอเรากินแล้วรู้สึกว่าความหิวมันหายไปแล้วเราก็ควรจะหยุดกินแล้วก็ดื่มน้ำเข้าไปให้มันอิ่มแทนเพราะว่าน้ำนี่มันเดี๋ยวเดียวมันก็มันก็หายไปใช้วิธีอยากถ้าอยากจะให้มันอิ่มเวลารู้สึกไม่หิวแล้วก็ดื่มน้ำเข้าไปหยุดกินแล้วร่างกายมันจะเบาเวลาเวลาจะไปนั่งสมาธิก็นั่งได้เวลาจะเดินจงกรมก็เดินได้ อันนี้คือเคลดลับต่างๆในของการเรื่องของการภาวนาการเจริญจิตตภาวนาและ ส, ะสมัฏฐานภาวนาและวิปัสสนาภาวนาอันนี้เป็นการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบที่เป็นแนวทางที่จะนําให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์เพราะเราจะใช้การภาวนานี้มาหยุดความอยาก ความอยากที่มันเกิดขึ้นมาในใจของเรามันเกิดจากความหลงเกิดจากความไม่รู้ความจริงว่าความสุขในโลกนี้เป็นความสุขปลอมเป็นเป็นทุกข์เป็นความความสุขชั่อข่าวเวลาได้มาใหม่ๆก็มีความสุขแต่พอเวลาที่มันเปลี่ยนไปหรือมันหมดไปก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาให้เห็นเห็นความจริงด้วยปัญญาว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยง แล้วก็ต้องมีใจที่มีพลังที่สามารถที่จะอยู่เฉยๆได้เวลาเห็นอะไรอยากได้อะไรก็หยุดความอยากได้ถ้ามีปัญญามาคอยเตือนใจว่าอยากไปอยากอยากแล้วทุกข์เพราะว่าเวลาอยากได้แล้วไม่ได้มันจะทุกข์เออเออเวลาที่ได้ของที่เราอยากได้มาแล้วเดี๋ยวเวลามันจากเราไปมันก็จะทําให้เราทุกข์อีกไม่ทุกข์ตอนนี้ก็ต้องทุกข์ตอนตอนภายหลังทุกภายหลังตอนที่เราได้ของมาแล้ว แล้วสูญเสียของที่เรารักไปฉะนั้นความอยากนี้เป็นตัวที่จะทําให้เราทุกข์เะนั้นเราต้องคอยสกัดความอยากเบื้องต้นก็สกัดด้วยสติหยุดมันด้วยการหยุดความคิดใช้พุโทโธพุโทโธหรือใช้การจดจ่อดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเวลานั่งก็พุโทโธก็ได้หรือดูลมหายใจเขาออกก็ได้ทําให้มันหยุดนิ่งให้มันสงบพอมันนิ่งมันสงบแล้วมันจะรู้สึกมีความสุข แล้วมันจะเห็นโทษของความอยากว่าเวลาเกิดความอยากแล้วใจมันร้อนใจมันวุ่นวายพอเราหยุดความอยากได้แล้วใจมันเย็นใจมันสบาย<ม>พอเราออกจากสมาธิเราก็พยายามใช้สติใช้ปัญญาคอยคอยต่อสู้กับความอยากเวลาความอยากโผล่ขึ้นมาก็พิจารณาตายรัก<ม>ในสิ่งที่เราอยากได้พอเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะหยุดความอยากได้ทุกครั้งที่เกิดความอยากก็พิจารณาด้วยตายรักทุกคาตอบ ที่จะหยุดความอยากก็คือตายรักนี่ถ้าเราเห็นความเข็นความทุกข์แล้วเราก็จะไม่อยากได้ถ้าเราเห็นว่าคนที่เราจะไปอยู่ด้วยเขาจะทุบตีเราเราก็ไม่ไปดีกว่าแต่เรามักจะมองไม่เห็นเรามักคิดว่าเขาจะมาเป็นคนใช้เรารับใช้เราใหม่ๆเขาก็ให้เขาก็เป็นรับใช้เราทาไปทำมาต่อไปเขากลับเป็นนายเราชนะหมเราก็เป็นนายเราก็สั่งเราทุบตีเราตอนนั้นเราก็จะทุกข์ ตอ น, นั้นเราก็มาเสียรู้ว่าเเราไม่เราโง่เองเราไปมองว่าเขาเป็นคนดีเขาจะรักเราชอบเรารับใช้เราแต่อยู่ไปอยู่มาเขากลับกลายมาเป็นคนมาคอยสั่งเรามาทุบตีเรานีทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ทุกอย่างมันไม่เที่ยงอย่ามองด้านเดียวอย่ามองแต่ด้านดีด้านเดียวมันมีทั้งดีและไม่ดีด้านไม่ดีมันเก็บไว้เวลาเจอกันมันซ่อนกันเอาไว้เวลาที่อยู่ด้วยกันแล้วมันถึงโผล่ขึ้นมา เวลาโผลขึ้นมาก็จะต้องทําให้ช้ำ อ, อกช้ําใจเสีย อ, อกเสียใจนี่คือการใช้ปัญญาพิจารณามองทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นทั้งสองด้านทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์แล้วก็ไม่มีสิ่งไหนที่ไม่ทุกข์เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอยากดีก็กลายเป็นไม่ดีไปอยากของใหม่ก็กลายเป็นของเก่าไปอาของของที่เจริญก็กลายเป็นของเสื่อมไป เวลาเจอของที่มันเสื่อมเวลาเจอของที่ไม่ดีมันก็จะให้ความทุกข์กับเรานี่คือการใช้ปัญญาในขณะที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาที่จิตเราฟุ้งซ่านคิดมากแล้วเหนื่อยก็หยุดคิดเข้าไปในสมาธิพักผ่อนจิตสักพักก่อนแล้วก็ออกมาใหม่แล้วพอจิตได้พักผ่อนก็จะมีพลังที่จะอยู่เฉยๆได้เวลาเห็นอะไรก็เฉยได้เวลาได้ยินอะไรก็เฉยได้เวลาอยากอะไรก็หยุดได้ ต่อไปเราก็จะสามารถหยุดความอยากทุกสิ่งทุกอย่างได้เฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าจะสัมผัสกับดีหรือชั่วใจเราก็จะไม่วุ่นวายใจเราก็จะดุดพ้นจากความทุกข์นี่แหละคือกระบวนการที่พระเจ้าได้ทรงตัดสรัรู้แล้วนำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับสรรวโลกอย่างพวกเราถ้าพวกเราต้องการที่จะดุดพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องปฏิบัติตามที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติก็คือต้องไป ถือศีลของนักบวชถือศีลแปดขึ้นไปแล้วก็ไปปีกเว่ยเว่ยาที่สงบาาภาวนาทําใจให้สงบให้ได้สมาธิก่อนพอใจมีสมาธิสามารถเข้าออกสมาธิได้ตามเวลาที่ต้องการแล้วเวลาออกจากสมาธิมาก็มาฝึกปัญญาพยายามสอนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใจอยากได้นะั้นมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะาเป็นของที่เรา สั่งให้มันเที่ยงไม่ได้เวลามันจะหมดมันก็หมดได้เราหยุดมันไม่ได้ให้มองเห็นอย่างนี้แล้วเราจะไม่อยากได้อะไรต่อไปเราจะอยู่เฉยๆได้เราจะมีความสุขกับการอยู่เฉยๆที่เป็นความสุขที่ดีที่สุดความสุขที่ปราศจากความอยาก <c ười> ใจที่ไม่มีความอยากนี้เราเรียกว่านิพานนี่นิบานังบามังสุขขังใจที่ปราศจากความอยากแล้วนี้จะเป็นใจที่มีเป็นบรมสุข คือความสุขที่พระเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้เข้าถึงและนำมามอบให้กับพวกเราในวันนี้ถ้าพวกเราน้อมนาเอาไปปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วไม่วันนี้ไม่เจ็ดวันข้างหน้าเจเดือนก็เจ7ดปีข้างหน้าท่านก็จะต้องได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้อย่างแน่นอนการแสดงสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวหาปุราปะริกุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิยิชิตังปะิตังต um ุมหังคิปเมวาสนิจัตุสัพเพปุเรนตุสักปา ดันฑูปนาระโสยธามณนีโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตารายุสุขีทีคาโยโกภวะ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 ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้มีมือถือก็ส่งเข้ามาทาง YouTube ทางเพจได้วันนี้มีผู้ติด ต, ตามทั้หมดเท่าไหร่ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมะนากุดจากทางเฟซบุกพระอาจารย์สุชาติเจ็ดร้อยสี่ท่าน YouTube พระสุชาติลฟ์สาร้อยสามสิบยู u ูบด็อกเตอร์วีชานเก้าสิบหนึ่งวิทยุออนไลน์สิบสาคลับเฮาส์สิบนากุดสา0ร้อยห้าสิบรวมทั้งหมดหนึ่งพันสี่ะ้อยเก้าสิบแปดท่านค่ะ okay. มีอะไรก็ถามได้เลยจ้ะมีคำถามจากผู้รับฟังนากุดค่ะ การไม่ทําบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตให้ขาวรอบขอพระอาจารย์ช่วยขยายความให้เข้าใจด้วยค่ะไม่ทําบาปเพให้รักษาศี่งสิ่สห้าอย่าเสพใ บ, าบา ย, ยาเมกุกอย่าเล่นการพนันอย่าเที่ยวตามบาตตามผับอย่าดื่มชูรายยาเมาแล้วก็อย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เป็นสินไม่ทำบาทผู้ศรัทธาก็ทำบุญชนิดต่างๆปล่อยนกปล่อยปลาทำบุญตักบาทถวายสังฆทานสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ึนจิตอาสาทาคุณทำประโยชน์ให้กับผู้แลื้อสร้างบุญสร้างผู้ศรัทานใจก็คือกำจัดความโลภกนห ล, ลงก็ต้องปฏิบัติธรรมจิตภาวนาสมถภาวนาวิปัสนาภาวนานี่คือวิธีการสามขั้นตอนค่ะ คำ ถ, ถามจะผู้รับฟังนะ้ากูดค่ะอยากอุทิศบุญให้กับสัตว์เลี้ยงที่ตายไปแล้วและที่ยังมีชีวิตอยู่สามารถทำได้หรือไม่คะสาหรับสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ก็ให้อาหารเค้างกินจะดีกว่าเพราะยังไม่ต้องการบุญเพราต้องการอาหารมากกว่าแต่คนที่ตายไปแล้วนี่กินอาหารไม่ได้เขาต้องการบุญเราก็อุทิศบุญให้เขาไป เป็นทุกข์กับการตายของสัตว์เลี้ยงที่รักเหมือนลูกต้องวางใจในทุกนี้อย่างไรดีคะอะไรนะถามอะไรเป็นทุกข์กับการตายของสัตว์เลี้ยงที่รักเหมือนลูกต้องวางใจยังไงดีคะก็วางใจเฉยๆพอนไหนที่สุดก็ต้องจากกันทั้งเขาทั้งเราเขาก็ต้องไปเราก็ต้องไปมองว่าโลกนี้เป็นเหมือนสถานี BTS ก็กันเรามารอขึ้นรถขบวนใครขบวนมันพอถึงขบวนเราเราก็ขึ้นไป พอนนกระบวนเขาเขาก็ขึ้นไปตรงนี้ไม่ใช่เป็นที่อยู่ถาวรของพวกเราที่อยู่ถาวรก็คือพันิพาน์คำถามสักทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะ ลูกมีสติอยู่กับกายเกิดความคิดปรุงแต like ่งสติรับ right. รู <fato> ้เกิดความว่างชั่วขณะมีความรู้ผุดขึ้นมาลูกเป็นลักษณะนี้บ่อยครั้งเป็นเพราะอะไรคะก็เป็นเพราะว่ามีสติเขาจะทำใจให้ว่างได้เดี๋ยวมีท่านคุณครูท่านอยากจะคุยด้วยเดี๋ยวเอาไมโครโฟนไ้อาหมดล้ยังครัน่าเบื่อเรียนกราบเียนอาจารย์ที่เคารพเจ้าค่ะ วันนี้โยมได้อ่านในคลิปที่เกี่ยวกับวันอาสารหาบูชาว่าเป็นวันที่มีพระสงฆ์องค์แรกขึ้นเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกและบอกว่าท่านอัญญาโกนทัญญะท่านได้เป็นสำเร็จพระโสดาบันนะเจ้าค่ะ นิพพโซดาบันก็คือการที่ได้ละสังโยสามสังโยสามสังโยสามคือากายาทิฏิเจ้าค่ะความเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเจ้าค่ะนะมันไม่ใช่มันเป็นดินน้ำลมไฟพอเห็นว่าไม่ใช่ตัวเรามันตายเราก็ไม่ทุกข์แต่ถ้ายังไม่เห็นว่าเป็นตัวเราอยู่มันจะตายเราก็จะทุกข์ดังนั้นต้องเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นลูกตาที่พ่อแม่ให้เรามา มันทำมายากดินน้ํำลมไฟพอมันตายมันก็กลับคืนสู่ดินน้ํำลมไฟไปเราไม่ได้ตายไปกับมันเราผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้เป็นร่างกายแต่เราหลงไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็เลยไปทุกข์กับร่างกายพอเราภาวนานั่งสมาธิเราก็แยกกายและแยกจิตได้เราก็จะรู้ว่าผู้รู้ผู้คิดกับร่างกายเป็นคนละตัวกันคนละคนแล้วเราก็ปล่อยวางได้พอปล่อยวางเราก็ไม่ทุกข์ มืนร่างกายคนอื่นเราทุกข์ไหมเวลาเขาตายเราไม่รู้จักเขาตายก็ตายอยู่ใช่ไร่างกายนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราให้บองให้เห็นอย่างนั้นแต่พรงอัญคนทัญยะท่านรู้แล้วเหนาสิ่งใดมีการเกิดขึ้นก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาร่างกายเมื่อเกิดแล้วมันก็ต้องตายไปเป็นธรรมดาห้ามันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ต้องไปเสียดายเราไม่ได้ตายเลยกับมันก็หายทุกข์ได้ ส่วนสังโยชอีกสองตัวที่ติดมามันก็จะได้โดยอัตโนมัติพอเราเห็นธรรมเราก็จะเห็นพระพุทธพระธรรมเห็นพระเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมก็จะก็จะเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าผู้เห็นธรรมก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือพระโสดาบันแล้วศีลพัฏฐ์ก็คือความลังเลสงสัยในศีลก็จะหมดไปเพราะ สินเราจะเห็นว่าเวลาทาําบาปใจเราจะทุกขใจเราจะต้องไปอบายอเวลาเราไม่ทําบาปใจเราก็จะเป็นมนุษย์งั้นก็จะไม่ทําบาปจนมันตายยอมตายดีกว่าทําบาปเพราะตายแล้วยังต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปตกยอโลกบ้างจริค่ะนี่คือสังโยชน์สามข้อแรกมันมันเกี่ยวข้องกันพอเห็นพอรักสักกายที่ดีได้อีกสองข้อมันก็จะเห็นชัดตาม สังโยชนิสิบข้อทั้งหมดรู้สึกว่าข้อที่ดูยากที่สุดน่าจะเป็นสักยะทิฐิหรือเปล่าเจ้าคะ่ะละสักยะทิฐิคั้งนั้นผูท้ทุทชนก็ยากที่สุด <c oughs> แต่เขาว่าละยิบบุคคลนี้อวิชชานี่ยากที่สุดเจ้ <c oughs> าค่ะอวิชฌานี่เป็นตัวที่ละเอียดที่สุด <c oughs> และต้องผ่านสังโยชนออิอีกสองตัวคือกามราคะกับปฏิฆะก่อน <c oughs> อันนี้ก็ต้องใช้อสุภะ ก็จะละการมาราคะเราเกิดการมาราคะก็เราเห็นร่างกายสวยงามแต่พอเรามองเห็นว่าร่างกายที่สวยงามนั้กลายเป็นศพไปเมื่อไหร่เราการมาราคะมันก็จะหดไปทันทีอันนี้กละการมาราคะแล้วก็ละปฏิฆะไปพร้อมๆกันเพราะถ้าละการมาราคะได้ปฏิฆะมันก็หมดไปความวุ่นยิตมันก็หมดไปความวุ่นวิดเหมือนกับจากการมีการมาราคะพอเราใช้อสุภาษหยุดการมาราคะได้ปฏิฆะมันก็หมดไป พอบรรลุขั้นนี้แล้วใจก็หมดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องร่างกายไม่ยินดีกับร่างกายของใครหรือของตนเองต่อไปไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เด็กต่อไปแต่ยังไปเกิดเป็นพรหมอยู่เพราะยังมีกิเลสละเอียดสังโยชละเอียดห้าตัวรูปราคะอัรูปราคะ อ, อุทธัจฉะ อ, อุทธัจฉะแล้วก็ มานะแล้วก็อวิชชาอันนี้มันอยู่ในใจมานะก็คื อ, อยังถือตัวอยู่ยังถือว่าเราสูงกว่าเขาเท่าขเขาต่ากว่าเขาอยู่แล้วก็เวลาปฏิบัติก็เวลาทําความเพียนก็เพียนเกินไปจนกระั่งเกิดเกิดเกิดอุทจจะคือความคุ้มครางขึ้นมาต้องมัชฌิมาพอจิตเริ่มคุงก็ต้องหยุดพิจารณาแล้วก็เข้าสมาธิแต่พอไปเข้าสมาธิก็ไปติดสมาธิก็ต้องละสมาการไปติดในสมาธิ แล้วก็จะเหลือตัววิช า, าวิชาก็คือตัวจิตที่ที่มหัศจรรย์ที่คิดว่าเป็นนิพานที่จริงแล้วมันก็ยังเป็นอวิชมัยังเป็นกิเลสอยู่ <c oughs> เพราะมันยังไม่เที่ยงมันมีมันเปนจามีเสื่อมได้อยู่กา <c oughs> นต้องก็ไปไปติดมันที่ว่าเป็นของสุดยอดของจิตนะคือความสว่างสวายของจิตแต่ปฏิบัติไปเรื่อยๆสังเกตดูก็จะเห็นว่าความสว่างสวายนี้มันก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมถาวร มันก็ลดความสว่างสไยลงได้แล้วเราอย่าไปอยากให้มันสว่างก็เป็นกิเลสขึ้นมาออืเราต้องเข้าใจว่ามันจะสว่างหรือไม่สว่างมันก็อยู่ภายใต้กฎของอานิจจังทุกขงังอนัตตางานแล้วต้องปล่อยมันไม่ต้องไปรักษามันถ้ามันสว่างตลอดเวลามันจะสว่างก็สว่างเวลามันไม่สว่างก็ไม่เป็นไรใจเราก็จะไม่ทุกข์กับการแปรปรวนของของใจใจก็ไม่ทุกข์กับอะไรตอไไ่อไปเนี่ยวิชฉา พระอาจารย์นะเราปฏิบัติดูเจ้าค่ะแต่เมื่อกี้พระอาจารย์พูดถึงข้อหนึ่งลัษักรยทิฐิว่าถ้าเผื่อเราเข้าสมาธิเราถึงจะได้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราจําเป็นต้องนั่งเข้าสมาธิไหมเจ้าค่ะหรือว่ า, าเราเมันต้องแยกกันออกจากกัน เ, เพราะใจมาเชื่อม ก, กับร่างกายพอเรานั่งสมาธิแล้วก็ดึงใจออกจากกันแล้วร่างกายก็จะหายไปจากใจหรือแต่จใจตัวเดียวก็เลยรู้ว่าตอนที่ใจอยู่ในสมาธิร่างกายเป็นไรใจก็ไม่ใจก็ยังอยู่เหมือนเดิม ต้องเข้าชานยังได้ชานสี่รูปฌานใช้พุทโธพุทโธหรือใช้ดูการลมหายใจเข้าออกนี่ก็เข้าได้แตต้องทำให้มากๆท่านน้ทให้บ่อยๆเจ้าค่ะต้องไปอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเคยไปอยู่ที่เขาชีโอนแล้วเจ้าค่ะแต่น้อยไปหน่อยแต่สงสัยตรงที่บอกว่า พอจิตมันแยกออกไปแล้วเราถึงจะรู้ว่านี่ไม่ใช่ตัวตนของเราหรือเจ้าคะไม่มันไม่รู้หราแต่มันรู้ว่าร่างกายหายไปนั้นเหลือแต่ตัวรู้ตัวเหราตัวเดียวอมันก็มันก็มาสรุปด้วยปัญญาได้ถนังว่าให้ตัวร่างกายกับตัวรู้นี่มันคนละตัวกันแต่มันก็ยังติดอยู่พอจากสมาธิกลับมาพอมันกลับเข้ามาสู่ร่างกายมันก็ยังติดร่างกายอยู่แต่มันไม่ติดเหมือนเมื่อก่อนเนี่มันรู้แล้วว่าเราเราไม่ใช่ร่างกายแต่กิเลสมันยังพยายามฝืนใจเราอยู่ ยังติดอยู่ตามนิสัยเดิมเราก็ต้องคอยสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปทุกข์กับมันกล่อยมันไปเนระห้ามมันไม่ได้ล้วต่อไปเราก็จะปล่อยได้เพราะฉะนั้นการที่เราหมั่นสอนใจเราโดยที่เราไม่ได้นั่งสมาธิก็สามารถทำให้เราเข้าใจคำว่าละสักยะทิฐิใช่ไหมเจ้าคะ่ะเข้าใจแต่ทำได้ไม่ได้อีกเรื่องเวลาหมอบอกเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยเข้าใจไหย เวลาหมอร่างกายเป็นมะเร็งใจตื่นเต้นตกใจไปด้วยเปล่าอันนี้ก็สแสดงว่ายังไม่ได้สอนใจให้ปล่อยจริงๆถ้าสอนใจใปล่อยจริงๆก็เฉยๆเป็ น, นก็เป็นหรือไม่ใช่ตัวเรานี่างเงี้ยลึกซึ้งมากเลยเจ้าค่ะเข้าใจแล้วต้องทําได้ด้วยเจ้าค่ะเข้าใจไม่ใช่ตัวเราแต่ยังไปทุกข์กับมันอยู่ก็สแสดงว่าเข้าใจแต่ทําไม่ได้ ถ้าทำได้ก็เฉย อ, อะมันจะเป็นมะเล็งก็เป็นไปไม่รักษาก็ได้รักษาก็ได้ไม่เดือดร้อนเพราะยังไงก็ต้องตายอยู่ดีอพระอาจารย์เจ้าคะสัญญอสิบข้อพระอาจารย์ว่าข้อไหนยากที่สุดเจา้าคะมันยากทุกข้อมันต้องไล่ไปตามลำดับตามลำดับเพราะฉะนั้นข้อแรกละสัคกยายะทิฏฐิกญาพอละสัคกยายะทิฏฐิได้ก็เป็นละกามาราคะกายาแล้วก็เป็นละอวิชากายา เป็นขั้นๆไปแต่ถ้าทําไปตามขั้นเนี้วเดี๋ยวมันก็ละได้แล้วถ้ามีครูบาอาจารย์คอยเตือนคอยสอนด้วยจะจ ะ, จะดีเพราะขณะปฏิบัติไปมันก็ยังเผลอมันยังหลงยังลืมได้บางทีครูบาอาจารย์ต้อคอยม า, าทดสอบอยู่เรื่อยตัดต้นอยู่เรยยังมีมาหน้าอยู่เปล่ายังถือตัวอยู่เปล่ า, า <laughs> ทุกหัวบางทีด่ามบางทียูมันจะโกรธเปล่า เจถ้าไม่มีครูบอาจารย์มาคอยทดสอบบางทีเราหลงตัวเองเฮ้ยเราสาเนินแล้วไม่มีตัวตนล้วไม่มีอะไรแลแต่พอใครพูดอะไรไม่ถูกใจหน่อยเดือนร้อนขึ้นมาทันทีอตัวตนเกิดขึ้นมาล้เจ้าค่ะโอเคเอาท่านนี้ก่อนโยมดีตอบขอเขาก็คุณเจ้าค่ะไม่ค่อยมากเอาแค่นี้ก่อนนะพอดีหมดเวลา<อ>ท่านที่ถามต้องถ้าของที่นี่ถามได้เพราะเดยอะ ของทีขง่ของที่นี่ก็แล้วกันของที่บ้านไว้วันหน้าค่อยมาถามใหม่คำถามจากผู้รับฟังหน้ากุ굿ค่ะจากปฏิจจสมุปบาทขอเมตตาพระอาจารย์แก้ข้อสงสัยวิญญาณนะปัจจารนามะรูปังคือการเกิดหรือเปล่าเจ้าคะในขณะที่อุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพเกิดชาติสิทธิ์สงสัยว่าทำไมปัจจัยให้เกิดมีสองครั้ง อ๋อคือวิญญาณเป็นตัวเชื่อมจิตกับร่างกายวิญญาณมันไปเชื่อมตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะได้รอบรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายพอสัมผัสรับรู้รูปเสียงกลิ่นแล้วก็เกิดเวทนาความรู้สึกขึ้นมาเห็นรูปสวยก็สุขเห็นรูปไม่สวยก็ทุกข์อพอเกิดสุขทุกข์ขึ้นมาก็เกิดความอยากขึ้นมาถ้าสุขก็อยากจะได้มันถ้าทุกข์ก็อยากจะโยนทิ้งไปถ้ายจริงไม่ได้ก็ทุกข์ถ้าอยากได้แล้วไม่ได้ก็ทุกข์ เกิดอุปทานขึ้นมาความยึดมั่นถือมั่นแล้วทำให้เป็นติดเป็นนิสัยไปพา้ไปเกิดใหม่พบหน้าชาติหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นนโอเคครนะับ ห, นะหมดแล้วครัหมดแล้วค่ถามที่นี้เวลาอันนี้ก็หมดพอดีต้องขออภัยใครที่ถามมาทางบ้านก็ไว้วันพรุ่งนี้มาถามต่อก็ได้ก็ขอให้ท่านจงเอาเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัต เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด